พระธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธรบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมาฐานในที่ต่งตางๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามตาตามเขาลำนอไปคนอยากขายแานไม่สนใจมีแต่ตั้งหน้าต่างๆเข้าสูา่แนวรบเพื่อค่าที่เหลือซึ่งเป็นตัวก่อควนตัวทําลายจิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยไายแดงเป็นภยัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตนี่ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่ตางคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมืต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเย่ยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานำมารับพันก็เป็นประโยชน์จากายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจามาลูกมมันก็ร้อนพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นนักรบเริ่รงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดาเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอพระทยมาแล้วนั้น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 ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนขนานับไม่ได้เลยที่สอนใจโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประทนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นเทา ว, วาดกายังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผู้นับถือ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 าศาสนาธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงว่าเป็นความผิดถ้าพิ่าั้นก่อนที่พระองค์จะพรทธิพานก็ประธานทราวาดไว้กับพระอนุนตอนที่พระอนุนปทุนถามท่าน ว่เาเมื่อพระองค์ปฏิพันธ์นานไปมิพาน์ไปแล้วงานเท่าไรมรรคผลนิพพานจะขึเสียดขึ้นสมัยหมดเขียดหมดสมัยพูดตามภาษาเราก็ว่าพระนรินทรท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนนถามมาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคทมอบไว้แล้วเพื่อมรรคนิพพานเท่านั้นเนี่ยเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพ้องของผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัตทิทำทุกครจะทําทยังมีอยู่พระอรหันต์ละสิ้นจากโลกอนุ์อนนย่าสงสัยนะทำนี้ น, นั้นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราถากดเมื่อ เราปนิพาน์ไปแล้วนะฟังนี่เป็นหลักขั้นพันฉะนั้นการปฏิพัน์นจึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงรือถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคลนิพันธ์หมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหน ข้าว่าดมันมีอยู่ทุกบททุกไปเธโยสมบูรณ์ที่ประทานไม้แล้วความบกพ้องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นท่านเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการประนิพานของพระดิกาไม่ปรากฏนอกจากที่พระ อ, องค์ประทานด้วยพระ อ, องค์เองเมื่อประนิพันไปแล้วก็หมด พุทธาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่เกิดคนได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประชนรอยู่ก็เป็นนว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องตน้นก็ได้ผูดถึงหนองนักรบถ้าพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยียม ไม่มีใครบอกทางไม่มีคนอุบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรยียกว่าเสียมผูวงมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความดุนดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ไปเห็นกว ด, นดุนดาวไปตนธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในอำนากิเลสออกหมดในพระไทยแล้วก็นาอุบายวิธีที่ถูกต้องนุน มาสั่งสอนโลกโดยลำดับลำดับผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ด้สาเร็จมรรคผลนิพพานตามสเสด็จท่า น, จ า, นนจทานพระองค์แต่นั้นก็ประทานพระอวาธเอาไว้ในผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือ มัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดําเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตนี้ที่เรากล่าวไว้นั้นก็เป็นกัติเครื่อเตือนใจของเราเป็นขแนขแนแข่งไปแต่ส่วนสั้งพันจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมาผลนิพันธ์ล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิสัสมาสังกปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้พอานี้เป็นทางโดยดําเนินโดยตรงใครจะไป ตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยอะยิ่งกว่านี้ขายายออกไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จาเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่เป็นเนื้ออำนาจไปจากมักที่พร้อมแล้วด้วยมัชิมาคือท่ากลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญ และคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดนั่นแลเป็นเครื่องที่จะชำระพิเรนได้เพราะกิเรนมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสารโลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากใจิตใจของสารโลกนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปุ่สองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอะคิโรสัมมามายาโรสมมาธกิตสัมาสมาธินี่เป็นองค์ประกอบกระโดยลำดับขนาดมีเป็นธรรมจำเป็นอย่างนิ่งแล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามักคืขอข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่อง ทำ ม, มัชฌิมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสูุนั้นชื่อแบบดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เน่นนานไม่มีทางปิดทางแม้คือทางมัชฌิมนี้เท่านั้นเหล่า น, น, น, นั้นเอาแน่ไม่ได้นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็นดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้เจสันโลกก็ประธานแบบเดียวกัน ผูปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมนี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอนเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานนี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสัมมาสติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจ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 เป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปใช้ไปปุงไปคิดไปแต่งไปสําคัญมั่นหมายถึงนั่นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิงนั้นว่าดีสิงนี้ว่าชั่วมันว่าไปนั่นกิเลสที่เราก็พล้อยตามหล ง, หล ง, หลงตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทาง จ, จิตใจนี่เพราะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสด็จสรรขึ้นมาปัญญาไปทําลาย ควมรมศักส น, นั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปกความตรมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นมาสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรนี่อะไรเป็นสัตว์พิจารณาเขา้าให้นุ้ถ้ท่านว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำมาบุคคำมาคนมาหญิงมาชายมีอะไรกิเลส อ, อาชมะมันว่าเป็นคนมันน่าสวยว่างามมากีลังท้าวร ว่ามีคุณมีค่าอย่นั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของจิตเรศที่ให้คนหลงคลอยตามไปล่มจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมด <c oughs> เราที่ไม่ได้ใช้โมคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามมันไปเรื่อยๆน่ ะ, นะมีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในใจิตใจนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อในจิตเรศคล้อยตามจิตเรศนี้ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าว ยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างทีงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันไม่เป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกตัวในส่วนนี้หรือเป็นคนเลือดไม่นนไมนนมไหมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันเห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมเนี้ยเป็นชื่อของผมอันนี้เนี้ยนันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันกแ็แต่ละอย่างอางมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนน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 เกียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นชื่อวกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเทาลายกระจมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาใหาย้ยึดก็จมไปจมไ ป, จ, มไปจิตจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยเียบย่ทำทําลายนั่นเมื่อปัญญาได้ฝุดค้นลงไปให้ถึงราตฐานความจิงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ทำทําลายดีขึ้นมาดีขึ้นมา น, นั่นนี่เดียเรียนหลักความจริง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 ไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถมีถ่าอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจะถูกบังคับจะหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทำมีตะถูกบังคับไงหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มอะไรงานการท่างหร่ต้องล้มอะไรยแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจริงเป็นโลกงานจริงเป็นการแต่งานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องนึ่งดูด พาให้ทําถึงทำถึงญาติลัมมาก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทําต้องบังคับใจทำเมื่อทำลงไปแล้วผลที่พึงได้ับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจับกับใจก็ให้เกิดความดื่นดื่ให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรอมันสําเร็จไปได้ด้วยอํนานาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทั้งผลแล้วความมุสาพยายามมันเป็นมาเอง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 ทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแไปตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งการนักการนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดทั้งอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่แทนเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลตึงยังไงทําความลบเบียนให้ใจเราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันไดที่ขัดข้อง ต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายจาก ส, าก ส, ากสมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทำแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของการละกันรู้จิตรู้ใจซึ่งการละกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ตามเย็นเราไม่ไปทําลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าสิลประเภทใดมีความเย็นนี่มันก็พอใจรักษาสีนถึงจะจรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอย่างนี้อั่างชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเรา เราไม่ก่อความเดือดร้อนในแก่ผู้ใดไม่เดือดเดียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่รักไม่ป่นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอานี่เราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะสิ่งของเหล่านี้เราก็พอใจรักษาการภาวนาอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลาบากก็เราทํางานนี่ยต่วค่าตัวมันเสียดตันไล่อยู่ภายในจิตใจท่งเรา มืนก็เสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจแขนงวัชพิเลศมันหลายประเภทความโลภ ก, ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความลกลัวก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนงไปเป็นลูกเป็นห ล, ลานของสือร้ายทั้งนั้นเพื่อนแรกตั้งแต่กัดแต่กิ น, แ ต, กนแต่ฉีดมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเอ่อเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหงค้อใจของสัตว์โลกนี่เป็นอาหารฉีดอยู่งั่นกัดอยู่งั่นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในใจิตใจ ถ้ามากกว่า น, นั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้มันเสียสุขภาพทางร่างกายได้อย่างไรนี่นี่เสือร้ายมันมีภายในใจการแก้ไขการทำลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามนี่เราพิจารณาไปสแล้วทำไมจะไม่พอใจคนเราอาทุกก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัจฉรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้ว เราจะมีเลี้ยงมันไว้ทาไมเลี้ยงให้ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเดียดเดืนอนคอยยุ่ยแยกก่ก่อกวนจิตใจเราให้ชอกช้ำขุ่นงอยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่นับกินไม่ได้หนึ่งล้วนนีตั้งแต่สืร่านเข้าไปทำลายภายในจิตใจการทําพอนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทำลายเสือร่านนี่ปราบตามเสือร่ า, านนี่ให้มันตายลงไปนับแต่พอ่อแต่แม่แต่ลูกแต่ห ล, ลานมันไปเพื่อบา้านเมืองขุ้มมาทั้งจิตใจเราจะได้รับความโล่งใจเป็นถูกทําไมเราจะไม่พอใจทํา นี่แหละสากยาบุตรพุทธกินโรดพุทธกินโรดคูดบริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการเป็นทานเป็นขินเป็นภนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเ อ, ชนะเอาตายก็ตายนี่นี่แล้วเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นสวน ร, ร้ายหรือเป็นอปัจจานิธิอันสําคัญที่มัน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 ในต้องปหานิมนต์พระมาคุชลารำมาคุจลารำมายุ่งไปยุ่งง่ายลาบากประปามเนี่ยค่าตัวพิตรภัยอยู่ภายในจิตใจของตนอานั้นมีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้ก็เป็นศาสตร์ราวุธที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมยัยใดมาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดรนเรื่อนี้ตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความาพเพียรความอุตสาหพยายามเป็นเครื่องหนุนหลัง แล้วพิลรศก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการในมาใช้ทำไมใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการพิ่ชนะพิเดศเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับพิเรศเป็นวิธีการที่จะปราบพิเรศให้อยู่ในเงื้อมมือของเรายากก็เอาพ่อปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสือนายอยู่ภายในจิตใจมันพิษหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะพิเรศตายไปหมด ไม่มีอะไรมายุ่งมาควรไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่ยแยะทําลายแต่สบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขขังมาตัสุขะะสขังมาตะักอย่างพระมหาคบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบัญชงกัางคืนเาดีเพราะเสด็จออกมาทรงพนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระหรหันต์แล้วอยู่ทไหนก็สุขขั้งมาตะัสุขขังมาตะั สุกน้อยสุกน้อยก็สุกแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมาดุแก่ก่อควนภายในจิตใจโล่งเพรด้วยศีด้วยอดด้วยธรรมโล่งเพรด้วยความบริสุทธิ์ว่างกปล่าไปหมดโลกธานนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งควรติดใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากที่เหลือทัญหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธ<ม>ิ์ล้วนๆในกายทป็นใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกะอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียร์ทันใดภายในจิตใจไม่มีเลย นั่นว่างอย่างนี้แสนสาบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทำที่จะเป็นความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากรัศว์อย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจดังที่เราท่้งหลายบาเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทำเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้ว ว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอาย่าก็ทำหน้าก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่ีวิตนักรบไม่ใช่นักห ล, ลบนี่นักหลบมันเป็นอย่างยันที่อะคอยจะจะหลบที่อะคอยจะหลบะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พริปนิพันธ์ไปแล้กวก็าตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนไปลงปจากความถูกต้องนั้นเลย ทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัจตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวาคาตก็ตตะมงตัดไม่ชอบแล้วนิยานิกระทัมก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดือนดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทีรงม่ชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลแตกต่างกันเลยจึงเป็นที่ภูมิแใจที่เราได้เกิดมาในถ้ำกลางแห่งสาสนาธรรมที่ถูกต้องในามพระดิจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นพาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรม ท่านที่ได้ประกาศศาส น, สนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่มันเหมาะสมกับทำได้แก่ใจใครถ้าไม่ได้ก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดหนึ่งขอให้สู้เอ้าหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตทาท้าคตแล้วพระพุทธเจ้าจะคุศละเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละเราจะยอดเปน <S <S ็นปอดตรงกันคุณดูบรรยากาศเลยไม่หลงเอาละเลยดูบรรยากาศไม่มีแอะ